ปาฏิหาริย์ที่ห้าเรื่องชาวอังคะและมะคตข้อ43สมัยนั้นชดินอุรุเวลกัสปะได้ตราเตรียมการบูชายันอันยิ่งใหญ่ประชาชนชาวอังคะและชาวมคตทั้งสิน้นต่างถือของเคี้ยวของบริโภคเป็นอันมากมุ่งหน้าไปหาชดินอุรุเวลกัสปะคิดว่าบดนี้ เราได้ตระเตรียมการบูชาญาณอันยิ่งใหญ่ประชาชนชาวอังคะและมะคุทั้งสิ้นจักถือของเคี้ยวของบริโภคอันมากมุ่งหน้ามาหาถ้าพระมหาสมณะจักทาอิทธิปาฏิหารในหมู่มหาชนไซลาบสการะจักเจริญยิ่งแก่พระมหาสมณะลาบสการะของเราจักเสื่อมทำชะไหนวันพรุ่งนี้ พระมหาสมณะจึงจะไม่เสด็จมาฉันครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบความรำพึงในใจของชดินอุรุเวลกรสปะด้วยพระไทยจึงเสด็จไปยังอุตรกุรุทวีปทรงนำบินทบาทจากทวีปนั้นมาสวยที่ริมสะอโนโดัตประทับ พ, พักกลางวันณนะที่นั้นครั้นราตรีนั้นผ่านไปชดินอุรุเวลกรสปะ ได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับกราบทูลว่าข้าแต่มหาสมณะได้เวลาแล้วพัดทหารเสร็จแล้วข้าแต่มหาสมณะทําไมหนอวันนี้พระองค์จึงไม่เสด็จมาอีกอย่างหนึ่งพวกข้าพเจ้าระลึกถึงพระองค์ว่าทําไมหนอพระมหาสมณะจึงไม่เสด็จมาแต่ส่วนแห่งของเคี้ยวของฉันข้าพเจ้าได้จัดไว้เพื่อพระองค์แล้ว ข้าผู้มีพระภาคทรงย้อนถามว่ากัสปะท่านได้เดํมรีไว้ไม่ใช่หรือว่าบัดนี้เราได้ตราเตรียมการบูชายันอันยิ่งใหญ่ประชาชนชาวอังคะและมะคตทั้งสิน้นจักถือของเคี้ยวของฉันเป็นอันมากมุ่งหน้ามาหาถ้าพระมหาสมณะจักทาอิทธิปฏิหารในหมู่มหาชนไซลาบสการะจักเจริญยิ่งแก่พระมหาสมณะ ลาบสการะของเราจากเสื่อมทำไหนวันพรุ่งนี้พระมหาสมณะจึงจะไม่เสด็จมาฉันกัสปะเราได้ทราบด้วยใจถึงความรํำพึงในใจของท่านจึงไปยังบุตรากุรุทวีปนําบินทบาทจากทวีปนั้นมาฉันที่ริมสานโนดานพักกลางวันณที่นั้นขณะนั้นชาดินอุรุเวลากัสปะคิดว่าพระมหาสมณะมีฤทธิ์มาก มีอนุภาพมากจริงถึงกับทรงทราบความนึกคิดแม้ด้วยใจได้แต่ไม่เป็นพระอาหารหันต์เหมือนเราแน่พระผู้มีพระภาคสเสวยปฏตหารของชดินอุรุเวลกัสปะแล้วประทับอยู่ที่ไพรสนแห่งนั้นปาฏิหารครั้งที่ห้าจบ